ในที่สุดก็คิดจะเลิกทาดีเลิกบำเพ็ญประโยชน์แต่เรื่องกลั่นแกล้งกลีดกันนี่เองจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลผู้มีกำลังใจเข้มแข็งอดทนเด็ดเดี่ยวยิ่งถูกกลั่นแกล้งกลีดกันมากเท่าใดเขายิ่งมุกมานะทำความดีทำประโยชน์เพื่อเอาชนะการกลั่นแกล้งกลีดกันนั้นคนที่มีลักษณะลอยอยู่เสมอนั้น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 ย่อมเป็นผู้มีลาบมากมีสักระมากพระพุทธองค์ทรงเชื่อมพระธรรมเทศนาในถ้ำกลางด้วยพระดารัสอันปฏิสังยุต์ด้วยลาบยศสักระดังนี้แต่ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความโลภในลาบสักระเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมลาบสักระมักจะเป็นเครื่องมือฆ่าคนชั่วได้เสมอภิกษุทั้งหลาย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 รัชทายาทเป็นอย่างสูงที่มีน้ำพระทัยปล่อยทุกข์ร้อนและปรารถนาจะช่วยอาตมาภาพแต่เวลานี้องค์ชายยังไม่ได้ครองราชสิทธิขาดในราชสมบัติจะช่วยอะไรอาตมภาพก็คงไม่เต็มพระสติกำลังเรื่องนี้ประการหนึ่งที่อาตมาภาพรู้สึกวิตกกังวลอยู่มากคือเวลานี้อาตมาภาพก็แก่แล้ว